อยากได้ประมาทพวกเรามาภาวนานี่แหละการภาวนานี่คือการที่เราจะฝึกฝึกให้จิตใจของเรามันไม่ประมาทความประมาทม่เป็นเหตุให้พวกเราจะต้องมาเที่ยวเวียนไายใจเกิดอยู่ในนี้มาเที่ยวเวียนไหวใจเกิดแล้วเขายังประมาทซั้มเข้าไปอีกจำเป็นจะต้องให้มีทุก มีโปรดมีใครมีเวรต่างๆเกิดขึ้นมาเหล่านั้นนะ่ะมันเพราะความประมาททั้งนั้นนะความประมาทในการเวลาความประมาทในสังขารร่างกายหลายๆอย่า ง, ง, ง, ง, ง, งเป็นความประมาทแค่เทนั้นนะให้เราพิจารณาการเวลาที่ผ่านไปผ่านไปนี่เราเห็นชัดเจนอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธพฤหัสศุกร์เสาร์ ปรเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็มาอาทิตย์จันทร์อังคารพุทธอีกอแล้วการเวลามันผ่านไปอย่างนั้นเราไม่พิจรารณาดูขอให้พิจารณาดูว่าเมื่อการเวลาผ่านไปนั้นมันไม่ได้ผ่านไปเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เคลื่อนค้อยเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้น่ะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านบอกจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจะต้อง แตกจะลายจะต้องค่อยๆย่อยยับลงไปในที่สุดจะแตกจลายไปหมดทุกอย่างทุกประการเราลองที่จะน า, นารู้เถิะตัวบุคคลก็เป็นอย่างนั้นหมู่คณะก็เป็นอย่างนั้นสำนักของเราก็เป็นหมู่คณะกลุ่มหนึ่งที่ก่อตั้งกันขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาเป็นสำนักมีหลวงปู่ เป cues, HD, society, glucose, out, пис, it, booklet, ็นหัวหน้ามีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาระยะหนึ่งมีลูกติดลูกหามีพระมีเมินมากมีคราวาสอยากโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมมากมายนั่นพอการเวลาผ่านไปสภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆยืดค่อยๆจางค่อยๆซาลงเสื่อมลงสภาพนั้นเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อย คือความเปลี่ยนแปลงมันมีอยู่ตลอดเวลาสภาพของวัดของเราหมู่คณะของเร า, เราค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเปลี่ยนแปลงในทางชุดโทมลงเรื่อยๆจนป่านนี้หลายสิบเป็นเวลาสิปกว่าปีมาที่ราวงู่จากไปแล้วก็เสื่อมลงไปมากจำนวนของหมู่คณะก็ลดลงความจริงจังในการประพฤติปฏิบัติก็ลดลง ความสงบสํารวมอะไรต่างๆมันโลดลงไปทั้งนั้นให้เราสังเกตแล้วก็สังเกตสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเทียบกับพันธุ์ของของพระพุทธเจ้าดูท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังขเพสั้งฆาราอนิจจาทุกสิ่งทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นมาแล้วก็เกิดกันขึ้นมาแล้วมีเหตุอันจะต้องเปลี่ยนแปลงเคลือนแล้วก็ทิ้นไป ท่านบอกอย่างนั้นทีนี้เราจะพิจารณาแล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างไงจงคิดว่าในหมู่คณะเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติธปฏิบัติก็ ค, ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งถ้าเรายังเป็นบุคคลหนึ่งที่ตั้งใจประพฤติธปฏิบัติอยู่มันก็จะเหลือแต่เราเนะ่ย เพราะฉะนั้นเราต้องคิดหวังึ่งตนเองไว่ให้มากๆที่สุดว่าถ้าเผื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปยังไงคนจะไม่ค่อยมีหมือเพื่อนจะลดจะน้อยลงเขาหันไปเอาดีทางอื่นมอดเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงเหลือแต่เราเรายังจะอยากดีอยู่ไหมความที่เราคิดว่ามาภาวนาเนี่ยมันดีเรายังมีความอยากดีกับเขาอย่างนั้นเหลืออยู่ไหมนี่เราต้อง พิจนารณาอันี้ถ้าความอยากดีในการภาวนาพวกเราจะมีอยู่จากใดก็ยังเหลือเราบุคคลหนึ่งที่ยังเง ย, ยืนยับยังพึ่งตนตองตนเองซึ่งลําแข่งของตนเองจิตใจมีหลักมีเกณฑ์มีความอยากทําอยากกระิปฏิบัติจริ ง, งามความดีอยากภาวนาถ้าอย่างนี้แล้วเราก็เรียกว่าเราพึ่งตนเองได้คือไม่ต้องไปง้อใครถ้ใครอยู่ใครไม่อยู่ เราก็มีกำลังใจที่จะทแล้วก็อยากจะทำอยู่คงเส่นคงวาความตะตือลุล้นในการที่จะลงสู่ทางโยงกลมในการที่จะนั่งสมาธิของเราเต้ป็นปกติไม่ได้เกี่ยวได้ข้องกับหมู่กับเพื่อนคนไหนองค์ไหนหรือจำนวนไหนไม่ได้เกี่ยวกับครูบาอาจารย์เนี่ยพยายามให้มันเกิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีมากอันครูบาอาจารย์ก็ดี มูเพื่อนมูคณะกอดีอะไรต่างๆทั้งหมดมันย่อมเพื่อนค่อยไปสู่ความแตกดับในที่สุดหมดสิ้นสภาพอย่างนั้นหมดสิ้นแน่นอนเราต้องเตรียมตัวไว้ถ้าเราไปถึงระยะหนึ่งไม่มีใครยินดีในการประพูปฏิบัติแล้ว<ม>เรายังมีตัวเราเองบุคคลยังมั่นใจในตนเองก็มีความหวังว่า จิตใจเราจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปไม่หยุดไม่ยัง้งคือไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับอะไรใครที่ไหนไม่ต้องไปเอากําลังใจจากใครเรามีกําลังใจขึ้นเกิดขึ้นมาในตัวอันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการให้พวกเราได้พวกเราเกิดมีขึ้นมาคือท่านจะไม่อยู่นานหรอกท่านมาอยู่นานเราเห็นแล้วหลวงปู่เนท่านก็ไปลปู่เราเรารักขนาดไหน เราหวังเราพึ่งในที่สุดท่านก็ไปจนได้ในที่สุ ด, ด, สดพวกเราก็ต้องอยู่กันพวกเราและพวกเราที่เหลืออยู่นี้ก็ไม่รู้จะเหลืออยู่เท่านี้สักที่อี ก, อกมากน้อยถ้ามันสมมติว่าเหลือน้อยลงในลงด้ลงแล้วในที่สุดเหลือองค์สององค์คนสองคนความอยากจะทำภาวนาก็ขอให้มันมีไว้ในตัวเราให้มีไว้ทักคนอย่างนี้ก็เรียกว่า ยังกู้สถานการณ์ของตนเองไว้ได้ความที่เป็นนักภาวนาะก็ยังคงยังเกิดยังมียังมีอยู่ไม่เสียดีที่มาฝึกฝนกับครูบาอาจารย์การมาฝึกฝนนี่ก็จริงอยู่หรอกให้าฝึกฝึกฝนให้จิตใจมันเป็นความสงบให้มันเป็นสมาธิให้มีปัญญานั่นก็ถูกอยู่แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นะครูบาอาจารย์เขาต้องการอยากจะให้พวกเรา ให้มีน้ำจิตน้ำใจที่อยากจะกระทำเองอันนี้ต้องเกิดขึ้นมาเสียก่อนถ้าความอยากจะทำเองด้วยจนต้องตนเองไม่มีแล้วจาบใจถึงแม้ว่าครูบาอาจารย์อยู่มันก็ไม่อยากจะทำมันจะหลบๆแอบๆส อ, อ, อนๆพอแต่อาจารย์เห็นพอแต่อาจารย์อยู่เท่านั้นจึงจะทำถ้าอาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ไม่เห็นแล้วก็ไม่ทำเนี่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเรามานั่งภาวนาด้วยกันเนี่ย มาธรรมะเยนแล้วก็นั่งภาวนาอันนี้ไม่ใช่ที่จะเอานะอันนี้ไม่ใจที่จะเอาหรอกจริงๆแล้วไม่ใช่ตรง น, นี้จะมานั่งโดยกันมันจะชั่วโมงองชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้ชั่วโมงอะไรอันนี้ไม่ใช่ที่จะเอานะอันนี้มาฝึกเฉยๆมาเรียนเหมือนเราเรียนหนังสือในโรงเรียนน่และแล้วความรู้นั้นน่ะที่จะเอาไปใช้จริงไปใช้ต่างนอกนู่น คือพอไปถึงข้างนอกออกจากที่นี่ไปแล้วความอยากจะเดินโยนกลมอยากเข้าสู่ความสงบ อ, อ, อยากจะนั่งสมาธิตรงเราให้มันตรงให้มันมีอยู่เมื่อตรงอยู่มีอยู่มันมีเวลาตั้งเยอะแยะมากมายที่อยู่นอกจากการมานั่งนี่เราก็จะได้ใช้เวลาเหล่านั้นแหละเพื่อิปฏิบัติคนที่ภาวนาเป็นก็ไม่ได้มาภาวนาเป็นตอนที่เรานั่งที่นี้หรอก เขาไปทําแล้วมันเป็นอยู่ตรงนู้นตรงที่กุติเขานู่นที่พิพักเขานู่นเขาไปอยู่ตรงที่เขาสงบเป็นส่วนเอกเทศของตนนะเขาภาวนาเขาเป็นเป็นมั น, เ ป, นเป็นดังนู้นทีนี่เหตุทําไมเันถึงจะเป็นภาวนาเราก็เขาสร้างอกตั้งใจเขามีความอยากจะทําด้วยตนเองของเขาเมื่ออยู่รับหลังกูบาอาจารย์แล้วรับหลังหมู่พวกแล้วเขาก็ยังอยากจะทําอยู่ ความกระตือรือร้นมันมีอยู่ตราบใดเขาก็ลงสู่ทางจงกรมเขาก็นั่งสมาธิเขาก็ลงสู่ความสงบพยายามผลไฝหายที่สงบใส่จนให้จนได้มีโอกาสเป็นความพยายามของตัวเองอาจารย์ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องตามไปบอกที่กูสื่อออกเขาก็ทําของเขานั่นแหละเขาเป็นเขาเป็นเพราะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเริ่มแรกที่สุดนีมันจะต้องมีความต้องฝึก ่ะต้องฝึกเอาความรู้สึกที่จะอยากจะดีอยากจะทำให้มันเกิดมีขึ้นพอโดยการที่เรามานั่งเนี่ยนั่งไปนั่งมานั่งสมาธิเดือกันไปไปมาๆเนะี่ยมันเกิดเป็นนิสัยเกิดเป็นนิสัยแล้วก็เกิดเป็นความรู้สึกว่าเป็นปกติประจำต้องเป็นอย่างนี้เมื่อถึงเวลาหรือไม่ก็ไม่ถึงเวลาแตในความรู้สึกวันๆหนึ่งของพวกเราที่มาภาวนานมีความรู้สึกว่าจาเป็นจะต้อง ลงสู่ความสงบไม่ว่าขนาดไหนเวลาไหนใอ้มีความรู้สึกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาเมื่อเรามานั่งกันบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกว่าจิตใจนี่ที่ถูกแล้วคือจะต้องพยายามสงบลงสู่ความสงบไว้ให้ได้ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้เป็นพื้นฐานอยู่ถ้าอยู่ต่อหน้าอาจารต่อหน้ามงุงต่อหน้าคณะต่อหน้าสำนักหรืออยู่ในสำนักจับ อยู่รับหลังอาจารย์รับหลังสำนักรับหลังครูบาอาจารย์รับหลังหรืออยู่นอกกลับไปบ้านแล้วจิตใจก็ยังมีความกระตือรือร้นที่อยากจะลงสู่ความสงบถ้าได้อันนี้ไปแล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปเจอะมันย่อมหาวิธีเข้าสู่ความสงบจนได้มันจะดีมันดีเพราะอันนี้นะไม่ใช่แบบดีเพราะว่ามีหมู่มีเพื่อนมากดีเพราะว่ามีอาจารย์ดีอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังกเลยดี เปล่าเลยนะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผู้ที่เขาจะดีจริงเขาจ้องดีขึ้นมาโดยตนเองคือเขาสร้างหัสมความอยากนี่แหละความอยากจะทําดีความใยดีของเขาเนี่ยให้เกิดให้มีขึ้นมาโดยตนเองของเขาใช่ก่อนมันมีอยู่ตรงนี้แหละ ท, ที่ว่าเราจะไปรอดหรือไม่รอดจะได้ดีหรือไม่ได้ดีชาตินี้ทั้งชาติถ้าเราเอาไม่เป็นมันก็ไม่ได้อะไรแหละก็ะจะมีแต่จะรอว่าถ้าหมูเพื่อนมี มูเพื่อนอยู่มูเพื่อนเยอะจึงจะค่อยอยากจะดีจึงจะไปทําดีถทำมูเพื่อนน้อยลงไปน้อลงไปเรื่หมดหรืออาจารย์ตายไปหมดไปเราก็เลยน้อยเหงาเลยไม่ทําไม่เป็นอันธทมถ้าแบบนั้นมันก็ดีเพราะคนอื่นมีเพราะคนอื่นในตัวเองแล้วไม่มีชิ้นดีอันไม่มีส่วนดีอยู่แบบนี้ก็เรียกว่าไม่ประสบผลสาเร็จในชีวิต นาถิได้เกิดมามีชีวิตมารู้จักพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจอันนี้เราตั้งใจตั้งใจแลก่อนตั้งใจบ่อยๆแล้วมันจะเกิดเป็นความเคยชินความเคยชินของจิตนี่จะเกิดขึ้นมาแล้วเคยชินในการที่จะอยากลงสู่ความสงบในที่สุดมันก็หาทางลงสู่ความสงบเองจนได้ทางจงกรมมีเยอะแยะมากมายในวัดเรามีเยอะ แต่ขอให้มีความรู้สึกอย่างนี้อยู่ในใจเถอะมันย่อมหาทางที่จะลงสู่ทางจงกลมหาทางที่จะอยู่สงบนั่งสมาธิจนได้ต่อไปนี้ฟังเทศของหลวงปู่นั่งทําความสงบจะเป็นหรือไม่เป็นก็กําหนดจิตอยู่ที่นี่แหละอย่านึกว่าสรงไปที่อื่นที่ไห น, นคิดเทนผ่านอย่านึกว่านั่นจะประสบผลสําเร็จอะไรไม่สาเร็จอะไรสักอย่างถ้าทําแบบนั้น มีวิธีเดียวเท่านั้นที่ต้องย้อนกลับมามันนิ่งอยู่ในนี้แหละนิ่งอยู่นี้จะสังเกตพ็สังเกตอยู่ในตัวนี่แหละสังเกตแล้วจะรู้อะไรก็รู้อยู่ในตนทองตนเนี่ยซึ่งธรรมะจะเกิดก็เกิดในจิตในใจของเราเหมือนจึงจะเป็นประโยชน์ถ้าจะความสงบมันก็ต้องจิต เ, เรานี่แหละสงบถ้าจิต เ, เราไม่สงบแล้วประโยชน์อะไรไม่เกิดขึ้นอย่างเดียว